บทภาชณี150กรรมที่ทําไม่ถูกต้องภิกษุสําคัญว่าเป็นกรรมที่ทําไม่ถูกต้องภิกษุณีสงฆ์ยังไม่พร้อมเพียงกันภิกษุสําคัญว่ายังไม่พร้อมเพียงกันสั่งสอนต้องอบัติปาจิตติกรรมที่ทําไม่ถูกต้องภิกษุสําคัญว่าเป็นกรรมที่ทําไม่ถูกต้องภิกษุณีสงฆ์ยังไม่พร้อมเพียงกันภิกษุไม่แน่ใจสั่งสอนต้องอบัติปาจิตติกรรมที่ทําไม่ถูกต้องภิกษุสําคัญว่าเป็นกรรมที่ทําไม่ถูกต้อง ภิกษุณีสงฆ์ยังไม่พร้อมเพียงกันภิกษุสำคัญว่าพร้อมเพียงกันแล้วสั่งสอนต้องอบัติปาจิตตีกรรมที่ทำไม่ถูกต้องภิกษุไม่แน่ใจภิกษุณีสงฆ์ยังไม่พร้อมเพียงกันภิกษุสำคัญว่ายังไม่พร้อมเพียงกันสั่งสอนภิกษุไม่แน่ใจสั่งสอนภิกษุสำคัญว่าพร้อมเพียงกันแล้วสั่งสอนต้องอบัติปาจิตตีกรรมที่ทำไม่ถูกต้องภิกษุสำคัญว่าเป็นกรรมที่ทำถูกต้องภิกษุณีสงฆ์ยังไม่พร้อมเพียงกัน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 ภิกษุสำคัญว่าพร้อมเพียงกันแล้วสั่งสอนต้องอบัตปาจิตตีหนึ่ร้ยห้าสิบเอที่ทําถูกต้องภิกษุสําคัญว่าเป็นกรมที่ทําไม่ถูกต้องภิกษุณีสงยังไม่พร้อมเพียงกันภิกษุสําคัญว่ายังไม่พร้อมเพียงกันสั่งสอนต้องอบัตตทุกกรคำที่ทําถูกต้องภิกษุสําคัญว่าเป็นกรรมที่ทําไม่ถูกต้องภิกษุณีสงยังไม่พร้อมเพียงกันภิกษุไม่แน่ใจสั่งสอนต้องอบัตตทุกกฎ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 คำที่ทำถูกต้องภิกษุสำคัญว่าเป็นคำที่ทำถูกต้องภิกชณีสงพร้อมเพียงกันแล้วภิกษุไม่แน่ใจสั่งสอนต้องอบัตทุกกฎคำที่ทำถูกต้องภิกษุสำคัญว่าเป็นคำที่ทำถูกต้องภิกชณีสงพร้อมเพียงกันแล้วภิกษุสำคัญว่าพร้อมเพียงกันแล้วสั่งสอนไม่ต้องอบัต